นักปฏิบัติต้องรักษาวินัยและเชื่อฟังอาจารย์พูดถึงการสนทนาแล้วอัตมาสนทนาไม่ค่อยเป็นมันพูดยากอยู่ถ้าใครอยากรู้จักต้องอยู่ด้วยกันอยู่ไปนานๆก็รู้จักหรอกอัตมาเคยไปเที่ยวทุดงเหมือนกันอัตมาไม่เทศไปฟังครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เทศไม่ใช่ว่าไปเทศให้ท่านฟัง ท่านพูดอะไรก็ฟังฟังเอาพระเล็กพระน้อยเทศนิฟังเราจะฟังก็ฟังไม่ค่อยสนทนาไม่รู้จะสนทนาอะไรที่จะเอาก็เอาตรงที่ละที่วางนั่นเองก็เอาตรงที่ละที่วางนั่นเองทําเพื่อมาละมาวางไม่ต้องไปเรียนให้มากแก่ไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งหนึ่งไปตะปบแต่แสงอยู่นั่นไม่ถูกตัวสักที การปฏิบัติธรรมแม้จะมีหลายแบบอัตมามิติถ้ารู้จักตามความหมายไม่ใช่ว่าจะผิดแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ค่อยรักษาวินัยอัตมาว่าจะไปไม่รอดเพราะมันข้ามมรรคข้ามศีลสมาธิปัญญาบางท่านพูดว่าอย่าไปติดสมถะอย่าไปเอาสมถะผ่านไปวิปัสสนาเลยอัตมาเห็นว่า ถ้าผ่านไปเอาวิปัสนาเลยมันจะไปไม่รอดวิธีปฏิบัติของท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ทองรัฐท่านเจ้าขุณอุบาลีนี่หลักนี้อย่าทิ้งแน่นอนจริงๆถ้าทำตามท่านถ้าปฏิบัติตามท่านเห็นตัวเองจริงๆท่านอาจารย์เหล่านี้เรื่องศีลท่านพยายามรักษาให้แน่นอนท่านไม่ให้ข้าม การเคารพครูบาอาจารย์การเคารพข้อวัดปฏิบัตินั้นถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ทําก็ทําถ้าท่านว่าผิดให้หยุดก็หยุดชื่อว่าทําเอาจริงจรงจังๆให้เห็นให้เป็นขึ้นในใจท่านอาจารย์บอกอย่างนี้ดังนั้นพวกลูกศิษย์ทั้งหลายจึงมีความเคารพยามเกรงในครูบาอาจารย์มากเพราะเห็นตามรอยของท่านลองทําดูสิ ทำดังที่อาตมาพูดถ้าเราทามันก็เห็นก็เป็นทำไมจะไม่เป็นเพราะเป็นคนทำคนหาอาตมาว่ากิเลสมันไม่อยู่หรอกถ้าทำถูกเรื่องของมันเป็นผู้ละผู้จาน้อยมากน้อยเป็นคนละทิติมานะทั้งหลายทั้งปวงคนพูดผิดก็ฟังได้คนพูดถูกก็ฟังได้หมดพิจารณาตัวเองอยู่อย่างนี้อาตมาว่า เป็นไปได้ทีเดียวถ้าพยายามแต่ว่าไม่ค่อยมีนักปริยัติที่มาปฏิบัติยังมีน้อยอยู่คิดเสียดายเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเคยแนะนำให้มาพิจารณาอยู่